เจริญสุขญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการธรรมะสุสันติก็กลับมาพบกับสาธุชนอีกเช่นเคยอัตมาภาพจะได้นําเสนอธรรมะบา ร, รยายของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยัมังคโลโอเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามในสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายอำเภอดําเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีวันนี้ขอนําเสนอเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นซึ่งหลวงพ่อท่านได้ บรรยายแพรภาพ อ, อกาศทางสถานีททรทัศน์ช่อง9กอสมทและทางรายการเห็นว่าสมควรที่จะให้สาธุชนในภูมิภาคต่างๆผู้ที่ติดตามรับฟังรายการธรรมสู่สันติเป็นประจำได้รับฟังข้อคิดในหลักธรรมตรงนี้ด้วยเพราะบางท่านอาจจะไม่ได้ชมทางโทรทัศน์ก็ขอนำธรรมนั้นมาเผยแพร่ให้สาธุชนได้ทราบทางสถานีวิทยุ นี้ซึ่งก็เป็นที่น่าสนใจว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักธรรมนั้นหลวงพ่อท่านได้พูดไว้เป็นที่น่าสนใจเลยทีเดียวขอเชิญท่านสาธุชนมาสดับพ ร, พร้อมๆกันนญาติโยมผู้ฟังทุกท่าน่วันนี้อาตมาภาพได้มีโอกาสมาบรรยายธรรมในเรื่องที่เกี่ยวกับการ พัฒนาคุณภาพชีวิตของเราให้ดีขึ้นกล่าวถึงชีวิตของเราทั้งหลายทั้งปวงทุกท่านย่อมมีความปรารถนาความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขในชีวิตด้วยกันทุกคนแต่ว่าการที่บุคคลเราจะถึงซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขเช่นนั้นได้ก็ต้องอาศัยสติปัญญา เครื่องรักษาตนต้องอาศัยความรู้ความสามารถในการประกอบกิจการงานในอาชีพและคุณธรรมประจําจิตใจของตนเพื่อประพฤติปฏิบัติต่อกันให้อยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุขมีความสุขความเจริญร่วมกันอย่างนั้นแต่การที่มนุษย์เราหรือคนเราทั้งหลาย จะเจริญด้วยสติปัญญาเครื่องรักษาตนได้เช่นนั้นหรือจะถึงซึ่งความเจริญในชีวิตด้วยการเป็นผู้มีความรู้ความสามารถได้เช่นนั้นก็ต้องมีการศึกษาอบรมตนแต่การศึกษาอบรมนั้นในทางโลกที่ประพฤติปฏิบัติกันมาอย่างเป็นทางการนั้นก็ได้แก่การศึกษาเล่าเรียน ในระดับต่างๆตั้งแต่ระดับชั้นประถมชั้นมัธยมและก็ชั้นอุดมศึกษาสูงยิ่งขึ้นไปเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการที่จะประกอบกิจการงานอันไม่มีโทษให้เจริญรุ่งเรืองให้มีความสุขความเจริญในชีวิตได้ดังกล่าวนั้นแต่ว่านั้นเป็นเพียงการศึกษาเ่าเรียน จากตำรับตำราจากครูบาอาจารย์สั่งสอนมาและอาจจะผสมเข้ากับการปฏิบัติเช่นการพิสูจน์การทดลองการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆมาแยกแยะมาวิเคราะห์มาสรุปเพื่อให้รู้เหตุและผลของปัญหาที่ต้องการจะศึกษาเ่าเรียนเพื่อจะให้ทราบในเหตุแห่งปัญหาและ ข้อแก้ปัญหาทั้งหลายทั้งปวงเป็นต้นเหล่านั้นจะเห็นว่าการศึกษาอบรมที่จะให้เจเริญซึ่งสติปัญญาดังกล่าวนั้นจึงประกอบด้วยอสองลักษณะหรือสองระดับระดับหนึ่งคือการศึกษาจากตำราตำราหรือจากครูบาอาจารย์สังสอนในหลักวิชาต่างๆอีกระดับหนึ่งเป็นระดับปฏิบัติเพื่อให้ได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจ ในปัญหาหรือในวิธีการประกอบกิจการงานทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็ได้ศึกษาปัญหาที่จะเป็นอุปสรรคของการดำเนินชีวิตก็ดีหรือการประกอบกิจการงานนั้นก็ดีแล้วก็หาข้อสรุปข้อเสนอแนะมาใช้แก้ปัญหามาเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและหลีกเลี่ยงทางดาเนินไปสู่ความเสือ่อมแกต่ตนอย่างนี้เป็นต้นความสุขความเจริญรุ่งเรือง ในทางโลกถ้ากล่าวโดยทั่วไปแล้วเป็นความสุขความเจริญรุ่งเรืองในทางวัตถุซึ่งเอามาประกอบเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตที่รวมเรียกว่าปัจจัยสคืออาหารยารักษาโรคที่อยู่อาศัยและเสื้อผ้าอาภรณ์ทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้และเครื่องอุปกระอื่นๆในการดำเนินชีวิตและในการประกอบกิจาการงานทั้งหลายทั้งปวง เหล่านี้นี่แหละถ้าหากว่าบุคคลใดสามารถทำปัจจัยสี่และเครื่องอำนวยความสะดวกทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ให้เจริญรุ่งเรืองได้ชาวโลกก็ถือว่าเป็นความสุขความเจริญในชีวิตแต่ว่าจริงๆแล้วยังต้องการความสุขความเจริญยิ่งไปกว่า น, นั้นอีกคือความสันติสุขและร่มเย็นอยู่ในครอบครัวก็มีความสันติสุขและร่มเย็น อยู่ในสังคมก็มีความสันติสุขและร่มเย็นไม่ต้องเดือดร้อนเพราะการเบียดเบียนซึ่งกันและกันอันนี้เข้าเขตในเรื่องของธรรมะว่าบุคคลพึงมีคุณธรรมในความประพฤติปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบในการยังตนให้ดําเนินชีวิตไปสู่ความสันติสุขและร่มเย็นอย่างแท้จริงโดยปราศจากความทุกขโศกโรคภัยทั้งปวงทีนี้เป็นไปได้อย่างไรในทางธรรมเป็นไปได้ แต่ว่าความที่จะเป็นไปได้อย่างนั้นบุคคลพึงต้องเรียนรู้เช่นเดียวกันกับทางโลกการเรียนรู้เช่นเดียวกันกับทางโลกคือว่าต้องเรียนรู้จากสำรับตำราหลักฐานที่เชื่อถือได้อย่างเช่นพระไตรปิฎกหรืออัฏฐกถ า, าจาร์กล่าวคือผู้รู้บัณฑิตผู้รู้ผู้อธิบายพระพุทธพจน์ หรือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นนี้เป็นการเรียนในหลักการโดยเฉพาะเช่นเดียวกันกับทางโลกแต่ว่าในทางธรรมนั้นยังต้องอาศัยการอบรมยิ่งขึ้นไปอีกนอกจากรู้ในหลักธรรมแล้วยังต้องรู้วิธีปฏิบัติและลงมือปฏิบัติให้ได้เห็นประสบการณ์ของการประพฤติปฏิบัติธรรมว่าการปฏิบัติ อย่างนี้อย่างนี้จะให้ผลดีตามธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างไรเพราะฉะนั้นการศึกษาอบรมในทางธรรมจึงมีชื่อว่าสิกขาสิกขาในภาษาของพระนั้นมีความหมายว่าต้องศึกษาทั้งในหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและยังจะต้องอบรมตนในทางปฏิบัติที่ว่าอบรมตนในทางปฏิบัติคืออย่างไร คือการอบรมกายและวาจาของตนเป็นเบื้องต้นเป็นประถมให้เป็นผู้สงบระงับไม่ประพฤติปฏิบัติไม่กล่าววาจาที่เป็นโทษเป็นการเบียดเบียนตนเองด้วยเป็นการเบียดเบียนคนอื่นด้วยหรือเป็นโทษแก่ทั้งตนเองและผู้อื่นด้วยให้เป็นความทุกข์เดือดร้อนต่างๆและเมื่ออบรมกายและวาจาของตนด้วยดีด้วยศีล น, นั้นแล้ว ก็ยังต้องอบรมจิตใจให้สงบระงับสงบระงับนั่นความจริงในภาษาพระมีความหมายถึงว่าสงบระงับจากกิเลสิบนเครื่องกั้นปัญญา <Yeah. S 1> คือเมื่ออบรมกายและวาจาให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษให้สงบแล้วก็อบรมจิตใจไปในขณะเดียวกันนั้นด้วยให้เป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคง ความที่ใจเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงได้นั้นจะมีผลหรือเป็นคุณลักษณะหนึ่งปรากฏขึ้นในใจของเราคือว่ากิเลสเครื่องกั้นปัญญาทั้งหลายอย่างเช่นความลังเลสงสัยในการประพฤติปฏิบัติธรรมว่าอย่างไหนใช่อย่างไหนไม่ใช่เป็นอันหมดไปจิตใจที่ง่วงเหงาซึมเศร้าไม่กระปรีกระเปร่าก็หมดไปด้วยจิตใจที่เป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงกลายเป็นจิตใจที่โปร่งใส ทองใสขึ้นมาและความหงุดหงิดความโกรธความพยาบาทใดๆไม่สบายใจใดๆก็หมดไปด้วยนอกจากนั้นประการสำคัญที่สุดก็คือความฟุ้งซ่านแห่งจิตใจความฟุ้งซ่านแห่งจิตใจนี่แหละเมื่อมีอยู่ในผู้ใดแล้วการที่จะพิจารณาในปัญหาแม้ในทางโลกและพิจารณาธรรมะในทางธรรมไม่อาจกระทาได้ดีไม่อาจกระทาได้อย่างถูกต้องแน่นอนเพราะอะไร เพราะใจที่ขุ่นมัวเพราะความที่จิตใจฟุ้งซ่านหรือมีกิเลสนิวร์ต่างๆดังที่กล่าวมานั้นครอบคลุมจิตใจอยู่แล้วก็เหมือนกับว่าน้ําในถ้วยแก้วนั้นขุ่นมัวแม้จะมีเศษกรวดหินทรายเล็กๆน้อยๆ อ, อยู่ในก้นถ้วยก็ไม่สามารถจะมองเห็นได้ชัดเจนฉันใดการที่จิตใจของบุคคลใดมีความขุ่นมัวไปด้วยอํานาจของกิเลสนิวรณ์ดังที่กล่าวมานั้น และยังมีข้ออื่นๆอี ก, อกเช่นอย่างความยินดียินดีพอใจยึดติดอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งสัมผัสทางกายทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เป็นต้นย่อมทาให้จิตใจขุ่นัวและไม่สามารถที่จะรู้อย่างแจ้งชัดในพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าโดยไม่สามารถจะพิจารณาได้อย่างแยกคลายเพราะมิไดเห็นสภาวะของธรรมชาติตามที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นบัณฑิตจึงกล่าวว่า บุคคลใดมีกิเลสนิวร์เกิดขึ้นในใจแล้วแม้แต่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งการจะพิจารณาเห็นอาจเห็นธรรมย่อมเป็นไปไม่ได้ อ, อย่างนี้ก็เช่นเดียวกันกับน้ําที่ขุนเราไม่สามารถจะเห็นแม้มเมล็ดทรายก้อนเล็กๆอยู่ในก้นถ้วยแต่ว่าถ้าว่าน้ํานั้นใสสะอาดบริสุทธิ์แล้วเราก็สามารถที่จะเห็นได้โดยง่ายปัญญาของเราจากการที่รู้ด้วยการที่เห็นข้อมูล หรือข้อเท็จจริงตามที่เป็นจริงหรือสภาวะของธรรมชาติตามที่เป็นจริงนั้นยังเที่ยงแท้แน่นอนการอบรมจิตใจของคนนั้นไม่แต่เพียงอบรมให้จิตใจผ่องใสจากกิเลสวิวนังกล่าวนั้นแล้วยังจะต้องอบรมปัญญาให้รู้แจ้งในสัจธรรมทั้งปวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้รู้แจ้งว่าทุกข์ที่แท้จริงเป็นอย่างไรเหตุแห่งทุกที่แท้จริงเป็นอย่างไรสภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับเป็นอย่างไรและ วิธีการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อันถาวรเป็นอย่างไรนี่แหละเมื่อเข้าใจแจ่มแจ้งในธรรมะตามที่เป็นจริงในสีประการนี้แล้วย่อมสามารถที่จะกำจัดกิเลสเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นไปอย่างถาวรได้นี่แหละคือการศึกษาอบรมในทางธรรมเพื่อให้เกิด ปัญญาอันเห็นแจ้งในอริยสัจ ท, ทั้ง4ี่อย่างนี้เมื่อผู้ใดได้รับการอบรมจิตใจและการศึกษาทั้งในหลักการด้วยอย่างนี้แล้วย่อมเข้าใจธรรมชาติหรือธรรมะหรือความประพฤติปฏิบัติที่ดีที่เป็นแก่นสารสาระแก่ชีวิตตนว่าเป็นคุณความดีและเป็นแก่นสารสาระแก่ชีวิตตามที่เป็นจริงแต่ถ้าผู้ใดไม่ได้รับการ ศึกษาและไม่ได้รับการอบรมอย่างนี้การที่จะเข้าใจสิ่งที่เป็นแก่นสารสาระตามที่เป็นจริงย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ได้รับการศึกษาอบรมให้เจริญสติปัญญาความสามารถทั้งคดีโลกและคดีธรรมนั้นย่อมนำตนไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขทั้งทางโลกและทางธรรมทางโลกนั้นย่อมรู้ทางเจริญทางเสื่อม ควรประพฤติปฏิบัติส่วนในทางธรรมนั้นย่อมรู้ว่าละชั่วเป็นผลดีอย่างไรแก่ตนทําดีทําดีอย่างไรจึงจะเป็นผลดีแก่ตนตามที่เป็นจริงและอบรมจิตใจให้ใสทองใสอบรมปัญญาให้เจริญไปถึงขั้นโล ก, กุตตรปัญญาเป็นทางให้พ้นทุกข์ได้จริงอย่างไรย่อมดําเนินชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขแต่ฝ่ายเดียวซึ่งตรงกันข้ามกับผู้ที่ไม่ได้รับการอบรม หรือไม่สนใจที่จะเข้าศึกษาอบรมอย่างนี้ย่อมจะเห็นสิ่งที่เป็นแก่นสารสาระว่ามิใช่เป็นแก่นสารสาระย่อมเห็นสิ่งที่ไม่ใช่แก่นสารสาระหรือไม่ใช่ความดีอย่างแท้จริงว่าเป็นแก่นสารสาระสําหรับชีวิตการดําเนินชีวิตย่อมเป็นไปอย่างผิดผิดพลาดพลาดนำตนไปสู่ความสุขบ้างแต่ก็ไม่ถาวรและส่วนใหญ่ก็จะนําตนไปสู่ความทุกข์ในบั้นปลายหรือในที่สุดเพราะฉะนั้น ตรรมาภาพจึงเจริญพรมายัางสาธุชนทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายที่มุ่งประสงค์ความสุขความเจริญทั้งในทางโลกและทางธรรมพึงศึกษาอบรมทั้งคดีโลกและคดีธรรมทางโลกก็พึงศึกษาร่ำเรียนหาความรู้ในทางโลกให้เพียงพอแก่การดำเนินชีวิตของตนไปในทางที่จะก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองสันติสุขสาหรับตนส่วนในทางธรรมนั้นก็พึงศึกษา ทั้งศึกษาในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าและอบรมตนด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาเพื่อให้เข้าถึงอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาอันเป็นธรรมที่เป็นแก่นสารสาระเพื่อความรู้แจ้งในอริยสัจ ท, ทั้งสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสเหตุแห่งทุกข์อันผาวรซึ่งจะเป็นผลดีแก่ชีวิตของตนอย่างยิ่งได้ถึงซึ่งมรรคผลนิพพาน ที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงได้และมรรคผลนิพพานนี้แหละอันมีพื้นฐานมาจากความประพฤติปฏิบัติธรรมโดยทางศีลโดยทางสมาธิโดยทางปัญญาอาธิศีลอธิปัญญาอาธิจิตอธิปัญญาคือมีศีลอันยิ่งมีจิตอันยิ่งมีปัญญาอันยิ่งก็จะสามารถดิมุติหลุดพ้นจากกิเลสเหตุแห่งทุกข์ไปได้ตามลําดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้และก็จะสามารถให้ถึงธรรมที่เป็นแก่นสารสาระ ของชีวิตที่สุดก็คือพระนิพพาแนแดนเกษมที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงดังที่อาตจจมาได้กล่าวมาแล้วจะได้ไม่ต้องลังเลสงสัยในพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมพระโสดและจะได้นับว่าเป็นพุทธศาสนกชนอย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งภิกษุสามเณรซึ่งเป็นบนรรพชิตจิตและหน้าที่ที่สาคัญที่สุดในชีวิตของชีวิตของบรรพชิตนั้นก็คือ การประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงธรรมที่เป็นแก่นสารแห่งชีวิตคือศีลสมาธิปัญญาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาไปจนถึงปฐม ม, มกกรรคมรจิตมกกรปัญญาและมรผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกทั้งปวงนั้นเพราะฉะนั้นบนรรพชิตที่มีปัญญาจึงขวนขวายเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมอันเป็นแก่นสารสาระอย่างแท้จริงของชีวิตและดำเนินชีวิตไปโดยแนวทางนี้จนตลอดชีวิตของท่าน และก็เผยแพร่ธรรมะปฏิบัติเช่นว่านี้เพื่อให้พุทธบริษัทอื่นได้เข้าใจได้เรียนรู้ได้เห็นและได้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจา้านั่นจึงถือว่าเป็นบนรรพชิตที่สมบูรณ์แบบซึ่งควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างและควรที่ทุกท่านจะพึงเข้าไปประพฤติปฏิบัติธรรมอุชาจะอุชนียานัง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 ตั้งแต่เวลาแปดนาฬิกาเป็นต้นไปเดือดร้อนมีทุกใจเข้าวัดไซกราบพระพุทธชัยมงคล ถ้าชมกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะส่สันติที่จบไปนั้นก็เป็นสารธรรมของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นซึ่งหลวงพ่อก็อธิบายให้สาธุชนได้เข้าใจถึงหลักธรรมพอสมควรและในช่วงท้ายนี้หลวงพ่อยังได้อธิบายถึงหลักของการอยู่ร่วมกันให้มีความประพฤติปฏิบัติที่ดีต่อกัน โดยที่ยึดหลักของการเอาใจเขามาใส่ใจเราซึ่งหลวงพ่อท่านได้ให้คติธรรมไว้ที่เป็นที่น่าสนใจดังนี้คติธรรมในวันนี้เอาใจเขามาใส่ใจเราท่านทั้งหลายการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยต้องมีความเห็นอกเห็นใจกันต้องมีความเข้าใจกันในทุกระดับของสังคมตั้งแต่สังคมย่อยไปจนถึงสังคมใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมในครอบครัว สังคมในวงงานและสังคมในสังคมและประเทศชาติซึ่งกว้างใหญ่ไพศาลออกไปถ้าหากว่าแต่ละหน่วยในสังคมรู้จักการเห็น อ, อกเห็นใจกันรู้จักเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วย่อมประพฤติปฏิบัติต่อกันด้วยดีไม่มีโทษไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันก็จะยังความสันติสุขและร่มเย็นให้เกิดในแต่ละสังคมนั้นในคติธรรมที่ว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรานะั้นเช่นอย่างไร เช่นว่าเราเป็นฝ่ายสามีเราพึงเอาจิตใจของภรรยามาใส่ใจเราว่าถ้าเราเป็นภรรยาถ้าได้รับความประพฤติปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จะรู้สึกอย่างไรจะดีใจชอบใจหรือจะไม่ดีใจไม่ชอบใจเช่นเดียวกันถ้าว่าท่านเป็นภรรยาท่านพึงเอาจิตใจของสามีนะมาใส่ใจิตใจเราว่า ถ้าว่าภรรยาประพฤติปฏิบัติต่อสามีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วถ้าเราเป็นสามีเราจะสบายใจไหมเราจะสุขใจไหมหรือว่าเราจะทุกข์ใจเราไม่สบายใจเมื่อรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราย่อมจะเห็นอกเห็นใจกันเข้าใจกันประพฤติปฏิบัติต่อกันได้ดีและจะมีแต่ความสันติสุขและร่มเย็นภายในครอบครัวส่วนว่าในวงงานนะ่ะเอาใจเขามาใส่ใจเราก็เช่นว่าถ้าเราเป็นผู้บังคับบัญชา และเราประพฤติปฏิบัติต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้องหรือผู้น้อยกว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราลองเอาใจผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือผู้น้อยนั้นมาใส่ใจเราสิว่าถ้าเราได้รับการปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราจะพอใจไหมหรือเราจะไม่สบายใจเช่นเดียวกันถ้าเราเป็นผู้น้อยผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาลองเอาใจของผู้บังคับบัญชามาใส่ใจเราบ้างว่าถ้าหากว่าเราเป็นผู้น้อยแต่เราประพฤติปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ ต่อผู้บังคับบัญชานั้นถ้าเราเป็นผู้บังคับบัญชาจะรู้สึกอย่างไรถ้าเผื่อเราเข้าใจซึ่งถึงจิตใจซึ่งกันและกันอย่างนี้ได้ความประพฤติปฏิบัติต่อกันก็จะไม่เบียดเบียนกันไม่กระทบกระทั่งกันจะเป็นไปแต่ในทางที่เกื้อกูลอำนวยประโยชน์แก่กันก็จะมีแต่ความสันติสุขและร่มเย็นแล ะ, จะเจริญรุ่งเรืองทั้งในสังคมย่อยสังคมในวงงานและสังคมใหญ่ๆไปจนถึงประเทศชาติได้แต่ทีนี้เรามาพิจารณาถึงว่า คติธรรมที่ว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรานะมาจากไหนก็มาจากโทมีหารธรรมคือว่าเราพึงเข้าใจว่าหรือตั้งตนเป็นพยานว่าเราปรารถนาสุขเราไม่ปรารถนาความทุกข์จากการเบียดเบียนใดๆเพียงไรเราก็มีจิตรักใครสัตว์โลกอื่นทั้งหลายหรือผู้อื่นทั้งหลายขอให้เขามีความร่มเย็นเป็นสุข ขอให้เขาปราศจากความทุกศโศกโรคภัยหรือจากพยันตรายเบียดเบียนเพียงนั้นนี่ก็เป็นเมตตาและกรุณาพรหมบีหารและถ้าว่าเราปรารถนาหรือหวังอยู่ในความเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและทางธรรมอย่างไรก็ตั้งจิตปราถนาว่าสัตว์โลกอื่นทั้งหลายขอจงเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและทางธรรมเพียงนั้นนี่ก็มุทิตาพรหมบิหารและเราปราถนาความสนุกเพียงไรก็ขอให้สรตวสัตว์โลกอื่นทั้งหลายจงมี ความสันติสุขและร่มเย็นด้วยความสงบเพียงนั้นนี่ก็คือพรหมวิหารธรรมอุเบกขาพรหมวิหารเพราะฉะนั้นผู้ที่มีพรหมวิหารธรรมอยู่ในใจย่อมเข้าใจในกติธรรมที่ว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราเพียงนั้นและผู้ใดมีกติธรรมนี้จําง่ายๆเอาใจเขามาใส่ใจเราสังคมน้อยก็จะสันติสุขสังคมใหญ่ก็จะสันติสุขแม้โลกก็สันติสุขด้วยประการะรนี้ นี่คือสัจธรรมความจริงของการอยู่ร่วมกันในสังคมไม่ว่าจะสังคมใดดังที่หลวงพ่อได้กล่าวไว้แล้วนั้นถ้าอยู่ด้วยกันด้วยความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วสังคมนั้นๆย่อมจะมีแต่ความผาสุขความร่มเย็นดังที่มีพระพุทธพจน์รับรองไว้ในคาถาธรรมบทพระไตรปิฎกเล่มที่25ความว่า ธรรมะปีติสุขขังเสติผู้อิ่มในธรรมย่อมอยู่เป็นสุขซึ่งก็หมายความว่าผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมผู้มีปีติอยู่ในธรรมธรรมย่อมจะคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในข้อปฏิบัติที่เป็นสาระที่เป็นประโยชน์แก่สารแก่ชีวิต ย่อมจะนําความเจริญรุ่งเรืองมาสู่สังคมนั้นๆอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้ให้คติธรรมแก่ท่านสาธุชนผู้ฟังรายการวันนี้ได้รับฟังสําหรับสารธรรมจากวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามในรายการธรรมสู่สันตินั้นได้นําเสนอธรรมบรรยายแก่ท่านสาธุชนเป็นประจำซึ่งถ้าท่านสาธุชนท่านใด ประสงค์จะติดตามรับฟังธรรมะจากรายการก็สามารถติดตามได้ในเวลาและทางสถานีแห่งนี้เป็นประจำเพราะว่าทางธรรมสุตันตินั้นก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทางสถานีและเจ้าหน้าที่ที่อำนวยความสะดวกและอนุเคราะห์แก่ทางวัดเป็นประจำได้มีโอกาสนำเสนอธรรมะสู่ท่านสาธุชนในภูมิภาคนี้ สำหรับรายการธรรมสู่สันติในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วขอความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านขอท่านผู้ฟังทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยมีอายุมั่นขวัญยืนจเจริญรุ่งเรืองในพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดการละนานเทินเจริญพร